มาจากไหนกัน่ะมาจากที่ไหนกัน่ะกรุงเทพครับกรุงเทพนะมาด้วยกันนะไม่มาจากสุรินทร์ค่ะสุรินทร์มาด้วยกันกี่คนกรุงเทพสองคนมาจากที่ไหนอรุเทพกรุงเทพนะมาข้างแรกเลยทำไมถึงมานะ เขาแนะนำว่างไงพอดีที่เขาเคยบวชที่วัดยานนะค ะ, ะเล้ก็แนะนำเราว่าชินดีดียังไงว่าท่าทให้เรารตลอดไปใช้ได้ <c oughs> ความคิดนี้ก็เอาไปใช้ได้น ะ, ะคิดว่าใช้ได้แต่เงินอย่างเดียว ใช้ได้แต่เงินใช้ได้แต่ของความคิดนี้ก็ไปใช้ได้นะความจริงความคิดนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าข้าวของเงินทองเลยเพราะข้าวของเงินทองมันก็มาจากความคิดนี้คนที่คิดเป็นก็หาข้าวของเงินทองได้คนคิดไม่เป็นก็หาข้าวของไม่เป็นหาเงินทองไม่เป็นความคิดนี้เป็น ตัวสำคัญมันเป็นคิดไปได้ในทางที่ดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เนี่ยสงครามที่เกิดการฆ่ากันฟันกันนี่ก็เป็นเกิดมาจากความคิดนะทุกอย่างมันมาจากความคิดนะเท่านั้นก่อนที่เราจะพูดแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องคิดกันก่อน คิดว่าจะทำอะไรดีทำแล้วดีไห ม, อมพอเราคิดว่าดีเราก็ทากันแต่บางทีความคิดของเรามันคิดไปไม่ตรงกับความจริงเราคิดว่ามันดีแต่พอทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วเกิดความเสียหายเกิดความวุ่นวายเราเลยต้องมาหาคนที่เขาคิดเป็น ตนที่ได้พิสูจน์ความคิดของเขาแล้วว่าเป็นความคิดที่ดีความคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความคิดที่ดีพระไตรปิฎก ม, มีอยู่แปดหมื่นสี่พันธรรมบทเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นความคิดที่พระพุทธเจ้าได้คิดมาแล้ว ว่าเป็นความคิด <c oughs> ที่ดีท่านจึงเอามาสอนพวกเราให้คิดตามที่ท่านสอนให้คิดถ้าเราคิดตามที่พระเจ้าสอนให้คิดได้แล้วเราทําตามความคิดของเราได้เราก็จะได้แต่ประโยชน์ได้แต่ความสุขการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ ก็เพื่อมาเรียนวิธีคิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอย่างไรคิดแล้วเราจะได้ทำตามที่เราคิดกันถ้าเราไม่มีใครสอนเราก็จะคิดไปตามความรู้สึกของเราที่เราคิดว่าถูกแต่เวลาทำไปแล้วมันมันไม่ถูก แทนที่จะเกิดประโยชน์มันเกิดโทษเกิดความเสียหายเช่นคนที่คิดเล่นการพนันคิดดื่มสุรายาเมาคิดเที่ยวกําคืนคิดดูท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาคิดก็เป็นความคิดที่ดีเขาคิดว่าทำแล้วจะมีความสุข แต่พอทำไปจริงๆแล้วมันไม่สุขมันทุกข์มันทำให้ถึงกับตายได้ถ้าไม่รู้จักหยุดมันเศษยาเศษติดเศษสุรายาเมาถ้าเศษแบบไม่มีขอบมีเขตก็ทำให้ กดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจเดืสุร้อมาเดือด ม, มากๆร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จิตใจก็จะไม่มีสติประคับประคองจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็ทำไม่ได้ก่อนที่เดื่มร้เวลาเมาแล้วเนี่ย การกระทำทางกายทางวาจานี้ไม่น่าดูไม่มีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทำได้แต่ความเสียหายเมาแล้วขับอนะดื่มสราเมาแล้วก็ไปขับรถเราก็ไม่สามารถควบคุมรถให้วิ่งไปในที่ใได้อย่างปลอดภัยก็ไปเกิดอุบัติเหตุ ไปทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความเสียหายด้วยนอกจากตัวเองจะเสียหายแล้วยังไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถ้าไม่ตายก็อาจจะพิกลพิการถ้าไม่พิการก็อาจจะไปติดคุกติดตารางนี่คือผลเสียที่เกิดจากการกระทา ที่คนที่กระทำสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นนมองแต่ว่าดื่มแล้วมันสบายใจเวลาไม่สบายใจก็ดื่มโซดาดื่มแล้วมันก็ทําให้ลืมเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจไปได้แต่มันก็เป็นความสบายใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอ หายเมาแล้วก็ต้องกลับมาเจอกับเรื่องเดิมปัญหาเดิมความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีนี่ก็คือเรื่องของตัวอย่างของความคิดที่ไม่ดีที่ผู้คิดไม่รู้ว่าไม่ดีจึงมีคนเดินโซลากันมาก เล่นการพนันก็มากเล่นการพนันก็ส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้อาจจะมีได้บ้างแต่พวกที่ได้เดี๋ยวไม่ช้าก็เล็วก็เสียเล่นไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เสียบางที่ก็เสียแบบหมดเนื้อหมดตัว เงินทองหมดแล้วก็ขายข้าวของขายบ้านขายช่องขายที่ดินบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตเพราะไปยืมเงินเขามาเล่นต่อแล้วไม่มีปัญญาจะใช้คืนเขาเจ้านี่เป็นนักเลงก็จะมาฆ่ามาแกง นี่ก็เป็นตัวอย่างของความคิดที่ไม่ดีแต่คิดไม่เห็นกันคิดเพียงแต่ว่าเล่นแล้วเดี๋ยวจะได้ได้แล้วจะได้เอาไปใช้ตามที่ความที่ต้องการจะใช้เอราบางคนนี่มีความอยากได้เงินทองแบบง่ายๆแบบเร็วๆก็เห็นว่าการเล่นการพ น, น, นันนี่มีโอกาสที่จะได้ ถ้ามันได้แล้วมันก็จะติดใจมันก็อยากจะได้อีกแล้วเดี๋ยวก็เสียเสียก็อยากจะได้คืนอีกพอเสียอยากจะได้คืนก็ต้องไปขายสมบัติมีอะไรก็ต้องเอาไปขายเพื่อที่จะได้มาเล่นต่อถ้าขายสมบัติหมดแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็มาเล่นอีกแล้วเดี๋ยวพอไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้เดี๋ยวก็โดนเข้ามา ทวงนี่ yeah. ไม่ถูกค่าก็ถูกซ้อม yeah. <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นตัวอย่าง yeah. <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าได้กันกอง <c oughs> สิ่งต่างๆแยกออกเป็นฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดี yeah. <Yeah. S 1> ฝ่ายดีท่านก็สอนให้เราทำกันฝ่ายไม่ดีก็สอนให้เราละเว้นกันเลิกทำกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแบ่งไว้สามสามฝ่ายด้วยกันมีฝ่ายที่หนึ่งคือให้รับเว้นการกระทำที่ไม่ดีทั้งปวงสัพปาปัสสะอากาะนองละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงบาปก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปด การดื่มสรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูของลเล่นต่างๆคร <_ d ance> บคนไม่ดีเป็นมิตรครบคนที่ชอบทาบาปเป็นมิตรแล้วก็มีความเกลียดค้านสิ่งเหล่านี้เป็น โทษต่อผู้กระทาทำแล้วไม่มีความเจริญทำแล้วมีแต่จะมีความเสียหายจึงสอนให้ละเวน้นพวกที่ไปทำบาปนี่ก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไม่ใช่นั้นก็ต้องไปหลบหลบซ่อน เห็นไหมมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลาคนที่ทำบาป ก, ก็ต้องไปหลบซ่อนถ้าไม่อยากจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็ต้องห ล, อหลบซ่อนหรือหนีไปอยู่ที่เขาตามจับไม่ได้ก็เห็นกันชาตาชาติอยู่ แต่เขาก็มักจะอ้างว่าเขาไม่ผิดเขาถูกกันแกล้งลองไปถามคนที่ติดพุกนียว่าทําทผิดหรือเปล่าทุกคนจะบอกว่าเปล่าทั้งนั้นลยไม่มีใครสารภาพถ้าพวกสารภาพเขาก็ลดให้ครึ่งหนึ่งติดลดโทษลงครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็บอกว่าถูกกันแกล้งถูกนู่นถูกนี่ไปไม่ได้ทำอันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการกระทาที่เราคิดว่าดีแต่มันทำให้เกิดโทษตามมาการกระทาบางอย่างอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีโทษต่อจิตใจ เรื่องการฆ่าสัตว์บางชนิดนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายถ้าเราฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นอาชีพก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่มันยังผิดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ก็มีผลแต่มีผลต่อจิตใจไม่ได้มีผลต่อร่างกายกฎแห่งกรรมไม่สามารถจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางได้ แต่กฎแห่งกรรมนี่จับจิตใจของเรานี่ไปติดคุกในโลกทิพย์ได้คือเรามีสองส่วนเรามีร่างกายกับมีจิตใจถ้าเราทำบาปนี่ทางกฎหมายเขาไม่ถือว่าผิดเขาก็ไม่จับเราไม่จับร่างกายไปขังคุกขังตาแต่ทางกฎแห่งกรรมนี่ เขาจะรอให้ร่างกายตายก่อนตายแล้วเขาก็จะจจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายกระทำนี้ mm hmm. ไปติดคุกติดตารางในอบายอบายนี้ก็มีสีแดง mm hmm. เหมือนคุกเขาก็มีหลายแดนแบ่งเป็นแดนแดนไปนักโทษเบา mm hmm. นักโทษหนักโทษหนักก็อยู่แดนหนึ่งโทษประหารก็อยู่อีกแดนหนึ่ง โทษของการทำแบาบปทำผิดกฎแห่งกรร ม, มก็มีอยู่สี่ตายไปพอร่างกายตายไปในี่ใจที่ไม่ได้ตายกับร่างตายไปกับร่างกายผู้กระทำผิดกฎแห่งกรรมก็จะต้องไปรับผลบาปนะก็บางทีก็ไปเป็นเดรัจฉานพวกสัตว์ที่มาอยู่ในป่าเนี่ยทำบาปมาทั้งนั้น ตอนนี้กำลังติดคุกกันอยู่พวกเลงพวกแมพวกงพวกนกพวกงูพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในป่าเนี่ยอันนี้เป็นคุกตารางของพวกที่ทำบาปต้องที่ฆ่าด้วยความจำเป็นโดยโดยคิดว่าไม่บาปไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมเพราะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้ เวลาเราไปฆ่าผู้นี่ก็เหมือนกับเวลาที่เขามาฆ่าเราเนี่ยเวลาเราถูกเขาฆ่านี่มันดีไม่ดีแต่เวล า, าเราไปฆ่าเขาเรากลับว่าดีเวลาเราฆ่าเป็ดฆ่าไก่มากินนี่ว่าดีเพราะมันเราบอกว่าจำเป็นแต่เป็ดไก่มันมันมันบอกว่าจำเป็นหรือเปล่ามันก็จะถามทำไมจำเป็นต้องมาฆ่ามันด้วยมันก็จะกลับมาฆ่าเรา มันก็จะเป็นกฎแห่งกรรมไปเดี๋ยวตายไปก็ไปเกิดเป็นเป็นก่เป็นเป็ดให้เขาฆ่าสลับกันนอกจากเป็นเดรัจฉานแล้วก็มีอีกสามประเภทพวกนี้ไม่มีร่างกายเหมือนเดรัจฉานเป็นกายทิพย์แตเป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความหิวโหวยถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยกายทิพย์นี้ก็จะเป็นเปรตเปรตก็คือใจที่ร้อนด้วยความหิวโหวยได้เท่าไหร่มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเหมือนกินข้าวแล้วไหร่ก็กินไม่อิ่มเอาถึงเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนอคนที่มีท้องเท่ากับองค์ แต่ปากนี้เท่ากับรูเข็มเวลาที่เอาอาหารผ่านปากที่เท่ากับรูเข็มเข้าไปได้นิดเดียวทีละนิดแล้วท้องที่มันใหญ่ขนาดตุ่มขนาดงค์เนี่มันเลยไม่มีวันที่จะรู้สึกเต็มสทัทีนี่คือลักษณะของใจที่มีความโลภอยู่ตลอดเวลาโลภอยากได้อะไรก็ไปทำบาป ก, กัน ไปรักซักไปช่อโกงได้มากี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอนะได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สิกไม่พออยู่นั่นอันนี้ใจมันจะรุ่มร้อนใจจะรุ่มร้อนด้วยความหิวความอยากก็เป็นเปรตแล้วพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้จะทำลายเรา เราก็เลยไปทำร้ายเ็าก่อนเจองูก็ตีมันฆ่ามันเจอมดเจอมแมลงก็ฆ่ามันกลัวมันจะมาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราตรงนี้ทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายใจก็จะทุกข์ร้อนด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอัน มันไ ม, มไม่มีความรู้สึกปลอดภัยแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความวิตกกังวลหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกที่สี่พวกที่ทำบาลด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลกที่ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยกที่จองล่างจองผลานกันโลกนี้ก็จะเป็นนรก ใจจะร้อนเป็นไฟสังเกตเวลาคนโกรธใครเกลียดใครเวลาใครมายามนหน้าเรานี่อยากจะฆ่ามาันได้้กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นะคือนรกความจริงใจเราเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอะไรตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเพียงแต่ว่ามันเป็น เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวพอเราไปทำอย่างอื่น อ, อารมณ์นี้มันก็หายไปคนบางทีมีความทุกข์มากๆก็ไปดื่มสุราพอดื่มสุราอารมณ์ต่างๆมันก็หายไปชั่วคราวเพราะใจมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้มันเกิดอารมณ์เหล่านั้นแต่เดี๋ยวพอมันเลิกดื่มมันกลับมาคิดเรื่องเดิมมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาใหม่ อันนี้มันจะสะสมไปภายในใจแล้วตอนที่เราตายนี่ความรู้สึกเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราเป็นไปตามอารมณ์นั้นถ้าทำบาปด้วยการด้วยความไม่รู้ค่าสาัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพก็จะไปเป็นเดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเพราะคนเราทําอะไรแนละ้วมันไม่ได้ทําครั้งเดียวนะมันจะทําเป็นนิสัยเพราะงั้นบางทีก็นิสัยเป็นนิสัยของเดรัชานิสัยของเปรต น, นิสัยของอสุ ร, รากายนิสัยของนรกตัดนรกไปพอตายไป ใ, ใจก็ระหว่างที่รอไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องไป รับกับอารมณ์เหล่านี้อบานี้มันไม่ได้เป็นสถานที่มันไม่ได้เป็นเหมือนนโลกนีไ้ไม่ได้เป็นสถานที่เปรตไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดที่เราโลกอยากได้แล้วเราไปทําบาปมาทําบาปเพื่อให้เราได้อย่างที่เราอยากได้นี่ เราก็เป็นเปรตไปแล้วใจเราเป็นเปรตถ้าจะให้ใจเราเป็นมนุษย์เหมือนกับร่างกายนี้เราก็ต้องไม่ทำบาปทั้งห้าข้อนี้ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์รักษาไม่ทำบาปด้วยความหลงไม่ได้ทำบาปด้วยความรักความโลภไม่ได้ทาบาปด้วยความกลัวไม่ได้ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใจของเราก็จะไม่ร้อน ใจของเราก็จะเฉยๆอย่างตอนนี้พวกเราตอนนี้ถือว่าเป็นมนุษย์กันทั้งกายทั้งใจเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำบาป ก, กันไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเวณีไม่ได้เดือมสุราไม่ได้พูดปดตอนที่เราอยู่เฉยๆนี่เราจะเป็นมนุษย์กันแต่จะเฉยได้นานเท่าไหร่ท่านนี่พอออกไปคอยากที่นี่ เดี๋ยวไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใครขับรถปาดหน้าก็ดาวนั่นล่ะกอดนั่นล่ะจะเริ่มไปเป็นนรกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปปาดมันกลับแต่ถ้าเราขับรถไปใครเขาจะปาดหน้าเราก็ปล่อยเขาปาดไปเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆ เฉยๆไปเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เรายังไม่ได้ไปทำบาปส่วนสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทาเนี่ยให้ละการกระทำบาปทั้งปวงว่ามันเป็นโทษมันจะสร้างความร้อนให้กับใจทำบาปแล้วใจจะร้อนคำว่าบาปก็คือความร้อนใจ ให้ทำบุญบุญแปลว่าความสุขใจความเย็นใจให้ทำอะไรที่ทำให้ใจเราเย็นการที่ใจเราจะเย็นเย็นอย่างไรก็เย็นด้วยการเสียสละแบ่งปันเช่นวันนี้ญาติโยมก็มีข้าวของเงินทองก็เสียสละมาแบ่งปันให้กับพระสอง์องค์เจ้าที่ไม่มี ร า, ายได้ต้องอาศัยการให้ของญาติโยมการเสียสละของญาติโยมเวลาญาติโยมได้เสียสละแบ่งปันใจของญาติโยมก็จะเย็นจะสบายมีความสุขเวลาถามญาติโยมทำบุญทำไมเาก็บอกทำเพื่อความสบายใจทำแล้วมันสบายใจ เวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราให้ความทุกข์กับผู้อื่นนี้เราจะรู้สึกมีความทุกข์เวลาเราไปทำให้ใครเขาทุกข์นี่เราเดี๋ยวเราก็ทุกข์ละพอมาคิดไม่น่าทำเลยกูทําแล้วก็ด่าลูกตีลูกด้วยอารมณ์นี่พอตีเสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจ ตอนนั้นเป็นยักษ์เป็นเปรตแล้วเป็นอสูรลกายแล้วตีด้วยความกลัวเดี๋ยวกลัวลูกมันจะไปทําผิดกลัวลูกจะทำอะไรเสียหายอะไรต้องตีมันก่อนแต่ตีด้วยอารมณ์ตีถ้าจะตีแบบเป็นมนุษย์ก็ต้องตีโดยไม่มีอารมณ์ตีด้วยเหตุผลก็เรียกมาคุยกันเราบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีขโมยเงินแม่ไปเที่ยวไม่ดี ต้องลงโทษเหมือนกับที่เขาไปตัดสินคดีในศาลเนี่ยเขาไม่ใช้อารมณ์ใช้ใช้เหตุใช้ผลชี้แจงให้คนให้คนกระทำเห็นโทษของตนเองและเห็นและรับโทษที่กระทำเช่นลูกทำผิดนี่อย่าไปตีมันด้วยอารมณ์ตีด้วยอารมณ์ก็เดี๋ยวจะเสียใจแต่ถ้าตีด้วยเหตุด้วยผลนี่มันจะไม่เสียใจ มาพูดมาคุยกันก่อนว่าทำอย่างนี้ เ, เสียหายนะถ้าไปทำกับคนอื่นนี่ติดคุกติดตารางได้งนั้นเพื่อให้จดให้จำก็ต้องลงโทษถ้าไม่ตีก็ต้องมีมาตรการอย่างอื่นเป็นการลงโทษลดดูทีวีหนึ่งอาทิตย์หรือลดค่าขนมลงเครึ่งหนึ่ง อ, อย่างนี้ก็เขาจะได้เห็นโทษของการกระทบาบา ถ้าถ้าลงโทษผู้อื่นด้วยเหตุด้วยผลนี้จะไม่เสียใจจะไม่เกิดความทุกข์ร้อนใจเพราะไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยความเมตตาทำแบบสั่งสอนให้เขารู้คุนรู้โทษของการกระทาของเขาว่าผิดถ้าปล่อยให้ทำต่อไปอาจจะคิดว่าถูกแล้วไปทำกับผู้อื่นแล้วจะเดือดร้อน เพราะผู้อื่นเขาจะไม่เหมือนเราเราจะไม่เอาโทษเขาแต่ผู้อื่นเขาจะเอาโทษเคยได้ยินนิทานสมเด็จพระสงางฆราชท่านเคยเล่าว่าพ่อแม่รักลูกไม่กล้าสอนลูกไม่กล้าวว่าเกา่าตักเตือนลูกปล่อยให้ลูกทาผิดไปพอโตขึ้นก็ไปทาผิดร้ายแรงถึงกับจะถูกลงโทษประหารชีวิตก็มาว่าพ่อแม่ทำไมไม่สั่งสอนเขา หน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนให้รู้ว่าการกระทำนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษมีคุณหรือไม่มีคุณอย่างไร<ม>เพราะคนบางคนนี่คิดไม่เป็นเขาเห็นคุณว่าเป็นคุณกับเขาแต่เขาไม่เห็นว่ามันเป็นโทษกับผู้อื่นเวลาเราทำอะไรนี้เราน่กจะคิดด้านเดียว ทําแล้วเรามีความสุขเราก็คิดว่ามันดีแล้วแต่เราไม่มองถึงโทษที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นจากการกระทําของเราเรามีความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นเราไปขับรถสิ่งกันแล้วก็มันกันบนท้องถนนแล้วก็ไปชนคนไม่รู้อีนิอีนอ่ตายอย่นีอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่รอบคอบ คิดไม่รอบกอกคิดเอาแต่ได้คิดเข้าตัวเองไม่คิดถึงผู้อื่นเราเวลาทำอะไรเราต้องคิดทั้งตัวเราและทั้งผู้อื่นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราและกับผู้อื่นว่าทำแล้วเราสุขแต่ผู้อื่นเขาทุกข์กับการกระทำของเราหรือเปล่าถ้าเขาทุกข์ก็แสดงว่ามันไม่ดีแล้วถึงแม้ว่าเราจะสุข เราจัดงานเลี้ยงกันกินเหล้าเมากันเปิดเพลงรัานบ้านชาวบ้านนอนไม่หลับกันอย่างนี้เรามีความสุขแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราเร่การคิดที่ที่ฉลาดต้องคิดอย่างรอบคอบไม่ใช่คิดแต่ด้านเดียวคือด้านของตัวเราเอง อันนี้ก็เป็นวิธีคิดของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดว่าเราทาอย่างนี้แล้วอะไรจะตามมาจากการกระทาของเราความสุขด้วยความทุกข์กับตัวเราและกับผู้อื่นด้วยไม่ใช่กับตัวเราอย่างเดียวเราอาจจะสุขแต่ผู้อื่นเขาทุกข์นี่ก็ใช่ไม่ได้ เราต้องสุขแล้วผู้อื่นเขาไม่เดือดร้อนถ้าจะทําอะไรหรือไม่เช่นนั้นก็ผู้อื่นเขาได้ความสุขแต่เราไม่เดือดร้อนเช่นญาติโยม ว, วันนี้มาทําบุญเนี่ยญาติโยมเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของไปแต่ญาติโยมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้เสียแบบที่ทําให้เดือดร้อนเสียในส่วนที่พอจะเสียได้ไม่มีส่วนนี้ก็ไม่เดือดร้อนแล้วผู้รับก็ได้รับประโยชน์ ถ้าสงองค์เจ้าก็จะได้มีเครื่องใช้ไม่สอยมีอะไรไว้ใช้ในการเลี้ยงดูชีวิตของท่านให้คิดแบบนี้คิดถึงผู้อื่นและคิดถึงตัวเราเวลาเราทำอะไรมีผลกระทบกับตัวเราอย่างไรมีผลกระทบกับผู้อื่นอย่างไรถ้าไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเลยก็ได้ พระพุทธเจ้าได้กั่นกรองแยกแล้วว่าการกระทำที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเราแต่เป็นโทษกับผู้อื่นก็คือการทำบาป ก, การเสพอบายามุกเนี่ยทำไปแล้วมันจะเกิดโทษกับเราและเกิดโทษกับผู้อื่นตอนต้นอาจจะเกิดโทษกับผู้อื่นแล้วก็เกิดประโยชน์กับเราแต่ต่อมาเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการมาเช็คบินกัน ทำผิดกฎหมายเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาตามจับกันอย่างนั้นพระเจ้าถึงสอนให้พวกเราละการกระทําบาปทั้งปวงละเชื่อเลยเชื่อพระเจ้าแล้วสบายไม่ต้องมาคิดให้เสียเวลาอย่าฆ่าสัตว์ทุกชนิดนะไม่ใช่แต่มนุษย์นะมดแมลงยุงเอยอะไรเอยอย่าไปฆ่าเขาไล่เขาไปได้ ปัดเขาไปได้เวลายุงจะมากาดก็เอาใช้อะไรไล่มันไป จ, จุดยากันยุงก็ได้ไลพ่พอมันได้กลิ่นควันเหม็นมันก็ไม่มาแต่ยาไปทำให้มันตาย น, นี่ก็ถ้าเราไม่รู้จักคิดก็เราต้องมาอาศัยคนที่คิดเก่งอย่างพระพุทธเจ้าท่าน เอาวิธีคิดให้พวกเรามาคิดสวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือให้ละการกระทําบาปทั้งปวงวิธีที่สองก็ให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือทำความดีต่างๆการทำความดีเป็นอย่างไรก็คือทำแล้วเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแต่ไม่เกิดโทษกับเราเช่นวันนี้ญาติโยมมีข้าวของมีเงินทอง mm hmm. เหลือกิน mm hmm. เหลือใช้ ก็เอามาแบ่งปันกันอันนี้กไม่เกิดโทษกับตนเองแต่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองเรามีเวลาว่างเราไปทำงานอาสาสมัครอะไรก็ได้หน่วยงานอ า, าสาสาธารณกุศลต่างๆพอติตึ ง, ต ง, ต ง, ตงร่วมกันตัมยูหรืออะไรต่างๆ เวลาเ็้มีกิจกรรมอะไรบางทีเ็าต้องการอาสาสมัครเนี่เราก็ไปถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลามีกำลังกายเราก็สามารถใช้กำลังการนี้เป็นการทำความดีได้ไปเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานกู้ภัยต่างๆหรืออำนวยความสะดวกพวกจาราจรเวลาพัทยามีแข่งมาราธอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ ก็มีอาสาสมัครมาคอยช่วยกันจัดการกับการจราจารให้รถวิ่งไปอย่างปลอดภัยนักวิ่งก็ปลอดภัยบางพวกก็เอาน้ำดื่มมาแจกมี่คือเรื่องของการทำกุศลทำะายที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเรียกว่ากุศลเรียกว่าบุญและไม่เกิดโทษกับเรา ถ้าเกิดโทษกับเราก็อย่าทําเพราะว่ามันเราไม่ต้องการที่จะทําโทษตัวเราเราต้องการที่จ ะ, ะทําให้เรามีความสุขไม่มีความเดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่ากุศลทําบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สาที่สอนให้เราคิดก็คือคิดชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ใจของเรานี้จะสุขหรือทุกข์นี้อยู่ที่ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจถ้ามีความสะอาดก็จะมีความสุขถ้ามีความสกปรกก็มีความทุกข์เหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ถ้าเสื้อผ้าสปกปรกเวลาใส่แล้วมันจะไม่รู้สึกสบายเวลาใส่เสื้อผ้าสะอาดแล้วมันรู้สึกสบาย หรือบ้านที่สะอาดกับบ้านที่สกปรกเนี่ยเวลาอยู่นี่มันจะมีความรู้สึกต่างกันใจเราก็เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของพวกเราถ้าใจเราสะอาดใจเราจะมีความสุขถ้าใจเราสกปรกแล้วอะไรทำให้ใจเราสกปรกพระพุทธเจ้าก็ทรงคลอนพบว่าก็คือกิเลสตัณหาเลยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ เวลาเกิดขึ้นมาแล้วใจเราจะร้อนใจเราจะทุกข์ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ได้ทำบาปใจก็ทุกข์ไปแล้วเวลาอยากได้อะไรนี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกหดหู่นำคาลคนอยากบุหรี่อยากเหล้านี่อยู่เฉยๆได้ไหมอยากกาแฟแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ ไ, ดไหมอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ดื่มได้บป่า อยากสูบบุหร่อยากดื่มสุราแล้วไม่ดื่มไม่สูบได้ปะไม่ได้ต้องไปสูบต้องไปดื่มพอได้สูบได้ดื่มแล้วจะรู้สึกสบายแต่สบายเดี๋ยวเดียวเดียวความอยากใหม่กลับมาอีกฉนั้นวิธีที่จะทําให้สบายแบบความอยากไม่กลับมาก็คือต้องไม่ดื่มเวลาอยากดื่มสุราอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มมัน ดื่มน้ำเปล่าแทนร่างกายต้องการน้ำถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำร่างกายไม่ต้องการไม่ต้องการรสของกาแฟรสของสุราผู้ที่ต้องการรสของกาแฟรสของกาแฟก็คือกิเลสถ้าเราดื่มกาแฟเราก็เหมือนกับเราเลี้ยงกิเลสทำให้กิเลสมันมีอายุยืนยาวนานขึ้นไป ถ้าเราต้องการที่ให้กิเลสมันตายเวลามันหิวเราอะไรเราก็อย่าป้อนมันเหมือน่เหมือนถ้าเราหิวข้าวแล้วไม่กินข้าวลยต่อไปร่างกายก็ตายไปกิเลสก็แบบเดียวกันถ้ามันอยากได้อะไรอยากเป็นให้มันถ้าไม่ให้มันแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะตายไปคนที่แรกบุรี่ได้ครับเพราะว่า ไม่เลี้ยงกิเลสเยเวลากิเลสอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่ให้มันสูบพอไม่สูบไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความอยากสูบมันก็หมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มาทำให้เราหงุดหงิด ต, ตำคาใจถ้าเราเลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เลิกกาแฟได้เราก็สบายไปเยอะอยู่เฉยๆก็มีความสุขงั้นเราต้องมาดูว่าตอนนี้กิเลสของเรามีอะไรบ้าง กิเลสของเราก็มีทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย<ม>ที่เรียกว่าการมตัหา<ม>ความอยากได้สิ่งต่างๆที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>ทางลิ้นก็ของกินต่างๆ<ม>ทางตาก็มีหลายอย่าง<ม>เครื่องใช้ไม่ส้อยต่างๆก็ผ่านทางตารถเก๋ง โทรศัพท์มือถือกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าคอนดงคอนโดอันนี้พูดถึงซื้อด้วยความอยากไม่ได้ซื้อด้วยความจําเป็นนะถ้าซื้อด้วยความจําเป็นนี่ไม่เป็นกิเลสเช่ น, นไม่มีบ้านอยู่อ้าวต้องซื้อบ้านสักหลังหนึง่งแต่ถ้ามีบ้านอยู่แล้วไม่พอใจอยากจะได้อีกหลังอยากอยากจะได้อีกที่หนึง่งอันนี้ก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาะ ถ้ามันเป็นความจาเป็นนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสความจาเป็นเป็นอย่างไรก็ถามดูถ้าไม่มีมันแล okay. pues ER, ้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่มีมันแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่จาเป็นถ้าไม่มีมันแล้วตายนี่จาเป็นเช่นอาหารอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องหนึ่งมื้อถ้าไม่มีอาหารทุกวันวันละหนึ่งมื้อมันก็ตายได้ แต่ถ้ามากกว่าหนึ่งมื้อนี่มันก็อาจจะเป็นกิเลสก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจ์แล้วว่ามนุษย์เรากินวันละมื้อก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าสอนพระให้กินวันละมื้อเดียวกินให้เต็มที่เลยไม่ได้จำกัดกินให้มันนั่นท้องไปเลยเหมือนกับเติมน้ำมันรถเนะี่ยเติมทีเดียวให้มันเต็มไปเลยไม่ต้องมาแบ่งทีละครึ่งถังเติมทีละครึ่งถังวันหนึ่งเตมสามสี่ที ก็เต <lifting> ิม <parallels> บันทีเดียวเต็มที่เลยก็เท่ากับเราเราเราเติมน้ำมันเพื่อให้รถมีน้ำมันวิ่งเราเติมอาหารเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แต่เราอย่าไปกินอาหารเพื่อความสุขถ้ากินอาหารเพื่อความสุขทางใจนี่เป็นกิเลสกินไปได้สองชั่วโมงเอาอีกนะมื้อเช้าแล้วเดี๋ยวมื้อเที่ยงเดี๋ยวก่อนจะมื้อเย็นก็มีมื้อมื้อบ่ายมี มีของระหว่างมื้อให้กินอยู่เรื่อยๆให้ขบให้เที้ยวอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นะถ้าอยากจะฆ่ากิเลสต้องกินเป็นมื้อๆไปออาตอนนี้อาจจะลองถามมื้อก่อนแต่ระหว่างมื้อนี้อย่าไปกินกินแล้วก็จบถ้าจะกินก็รอให้มันถึงเวลากินระหว่างมื้อก็อย่าไปหาขนมของขบเคี้ยวมากินกินให้มันมันปาก มันลิ้นอะไรไปไ ม, ไม่ได้กินแล้วสิกหงุดหงิดํำคาญใจเรากำลังเลี้ยงกิเลสอยู่กิเลสนี่มันเป็นภัยต um> ่อจิตใจเราอย่างมากทำให้ใจเราอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวพอเกิดอยากจะดื him, uh> ่มบุหรี่ดื่มกาแฟขึ้นมาก็ต้องไปหากาแฟมันดื่มอยากจะสูบบุหรี่ก็ต้องไปหาบุหรี่มาสูบ อยากจะดูอะไรก็ต้องเปิดดูสมัยนี้คนถือมือถือกันเดินไปไหนเห็นดูแต่มือถือไม่ดูทางเดินเลยกลัวเดี๋ยวเดินชนอะไรบ้างอยกงี <c oughs> ี่จักรยานเมื่อช้าก็เห็นเด็กขี่มอไซค์ก็เปิดมือถือดูกันไป <c oughs> เดี๋ยวก็ลถกระชอนกันพลิกคว่งกันอย่างกิเลสทั้งนั้นดูของที่ไม่จำเป็นจะต้องดู ถ้ามันจำเป็นจะต้องดูก็ไม่เป็นกิเลสสมัยก่อนไม่มีมือถือทำไมเห็นอยู่กันได้ไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรดูในมือถือก็ก็อยู่กันได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยพอมีมือถือแล้วทีนี้ก็ดูมันแสดงว่าไม่จำเป็นไม่มีมือถือก็ไม่ตายไม่ได้ดูของที่อยู่ในมือถือก็ไม่ตายตอนนี้กำเนิกิเลสกันอย่างเต็มเต็มเต็มที่เลย ยุคนี้เป็นยุคของกิเลสผะิสินค้าต่างๆออกมาเพื่อเลี้ยงกิเลสทั้งนั้นเป็นสินค้าที่ไม่จาเป็นต่อความสุขของจิตใจเลยแต่เป็นเป็นสินค้าที่มาสร้างความทุกข์ให้เกิบจิตใจเพราะจะทำให้ใจอยากได้ดูมือถือเล้ยวก็มีโฆษณาสินค้าในมือถือเห็นแล้วก็อยากจะได้ะนันนี้ซื้อก็ง่ายกดสั่งได้เลย โอนเงินได้อย่ยวนั้นเลยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่พอมันใช้มากๆเดี๋ยวเงินไม่พอใช้เดี๋ยวก็เดือดร้อนตอนต้นก็อาจใช้ใช้เครดิตไปก่อนกูนี่ยืมสินไปก่อนแล้วพอเครดิตหมดแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาทีก็ต้องไปขโมยเงินมาใช้แนละ้วเนี่ยมันเป็นผล ในการทําบาปเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากกิเลสเท่านั้นกิเลสเป็นตัวที่ผลักดันให้เราต้องไปทําบาปกันเพราะเวลาเราอยากได้อะไรอยากมีอะไรพอเราไม่สามารถหามาได้โดยที่ไม่ต้องทําบาปเราก็ต้องไปทําบาปกันแต่ถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีกิเลสเรามีเหตุมีผลก็เวลาอยากได้อะไรก็ถามว่าถ้าไม่ได้แล้วมันจะตายหรือเปล่าะ ถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องเอาเงินแค่นี้นก็จบได้แล้วก็ไม่พอได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเบื่อแล้วก็อยากจะได้รุ่นใหม่เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาล่อกิเลสอยู่เรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้เป็นไปกิเลสเนี่ยชีวิตเราก็จะต้องวุ่นวายไปไม่มีวันจบสิน้นและไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้น เวลาร่างกายนี้ตายไปกิเลสมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายกิเลสมันอยู่ที่ใจแล้วใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวที่ผลักให้ใจมาเกิดใหม่มาหาของใหม่มาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่เราเลยต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆการเกิดถ้าเราไม่คิดเราก็อาจจะว่าดี เกิดแล้วเราจะได้ทำนู่นทานี่ได้เที่ยวได้ทำอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้ทำได้เที่ยวอย่างเดียวสิมันได้ความแก่ได้ความเจ็บได้ความตายมาด้วยมันได้การสูญเสียด้วยได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปอันนี้เราไม่เห็นกันเห็นแต่ได้คิดแต่ได้คิดว่าเกิดแล้วดีเกิดมาแล้วจะได้เที่ยวได้ทำนู่นทานี่ถ้าไม่ได้เกิดก็จะไม่ได้ทำ แต่ไม่รู้ว่าได้ทำเดียวเดียวเป็นช่วกของเป็นของชั่วกราวเดี๋ยวพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ทำไม่ได้นะพอทำไม่ได้แล้วเวลานั้นมันสุขหรือมันทุกข์เวลาอยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำนี่มันทุกข์มากบางคน็นกับขาตัวตายถ้าไม่รู้จักหากข้ามจิตใจใจมันจะทุกข์มันจะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเคยฝึกหัดหักห้ามจิตใจบ้างมันก็พอที่จะบรรเทาได้ดังาั้นตอนนี้เรามาหัดฝืนกิเลสกันแล้วต่อไปเวลาเกิดเกิดความอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรพอเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ทรมานใจมากเพราะเราสามารถหักห้ามใจเราได้คนที่ไม่สามารถหักห้ามใจได้ไม่เคยฝึกหักห้ามใจาะไม่เคยมา มาเรียนวิธีคิดแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้เรามาหัดเลิกทำตามความอยากกันหัดเลิกทำตามความโลภ ก, กันถ้าเราหัดไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถที่จ ะ, ะหยุดความโลภความอยากได้แล้วมันจะไม่ทุกข์เวลาเราทำอะไรไม่ได้เราก็แค่หยุดความอยากไปเปลี่ยนความคิดเอา อยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวเอาไม่เที่ยวก็ได้อยู่บ้านอยู่บ้านหาอะไรทําเป็นประโยชน์ก็ได้กว่าบ้านถูบ้านบ้างบางทีบ้านช่องไม่มีเวลาดูแลเลยเป็นเหมือนลังหนูเป็นที่มาหลับหลับนอนพอเช้าก็ไปนะเย็นก็กลับเข้ามามันอค่อยมีเวลาอยู่บ้านเก็บกวาดถูบ้านเช็ดบ้านเลยก็ไม่ไปเที่ยวอยู่บ้านทําประโยชน์ดีกว่า ป่าด้านถูบ้านซั ก, นกผ้าซัากอะไรเก็บข้าวเก็บของอะไรให้มันสะอาดเรียบร้อยอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขต่อไปก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็นได้ที่มันอยู่บ้านไม่ได้เพราะบ้านเป็นเหมือนหลังหนูเห็นบ้านนั่นเบื่อออกไปเที่ยวข้างนอกข้างนอกเขาจัดสถานที่ดูแล้วสะอาดสะอา้านสวยงามแต่บ้านเ่านี่ไม่น่าดูไม่ไม่น่าอยู่ ถ้าเราไม่มีปัญญาจะออกไปนอกบ้านก็ทำบ้านเราให้สวยสิทำบ้านให้เราน่าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านนี่คือความคิดในกลุ่มที่สามคือให้เรามาฝืนความอยากกันฝืนความโลภ ก, กันจะทำอะไรให้ใช้เหตุใช้ผลว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าจำเป็นต้องทำก็ทำเช่นทาแล้วต้อง ต้องทำเพราะต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทํางานต้องมีรายได้เพื่อจะได้มีเงินมาจุนเจือชีวิตของเราไม่ให้ทุกข์ยากลําบากไม่ให้อัตคัดขัดส่วนให้มีอาหารพอเพียงให้มีที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนหลบภัยอะไรต่างๆมีเสื้อผ้าไว้ปกป้องร่างกายแต่ไม่ต้องมีมากจนเกินไปนะ มีพอประมาณเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มียารักษาโรคมีเงินไปลงซื้อยาไปโรงพยาบาลมีแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขพอละถ้าไม่มีความอยากนี้ไม่มีความโลภนี้เราไม่ต้องมีอะไรมากเลยมีเพียงปัจจัยสี่นี้เราก็มีความสุขกันได้ ไม่ต้องมีของหรูหราของฟุ่งเฟยอลไรต่างๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเหนือฟ้าก็มีฟ้าอีกมีของดีขนาดไหนก็มีคนที่มันจะมีของดีกว่าเราอยู่นั่นขับรถยี่ห้อนี้เดี๋ยวก็มียี่ห้อที่ดีกว่านี้กัเราอีกเราก็รู้สึกน้อยใจล้ต้องไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกิเลส สร้างความทุกข์ให้กับใจเราโดยใช่เหตุเนีเราต้องมาใช้หลักของเหตุผลเวลาเราต้องการอะไรต้องถามด้วยว่ามันจําเป็นไหมมันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลเลี้ยงดูชีวิตเราเหรือไม่อย่าไปหวังความสุขต่างๆจากของที่เราซื้อมาเลยเว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง ซื้อมาแป๊บเดียวเดียวก็เบื่อแล้วต้องซื้อของใหม่ละซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็เบื่อของเก่ามีเต็มบ้านไปหมดเลยของที่เป็นของที่เราได้ความสุขจากมันเวลาที่ซื้อมาใหม่ๆพอซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เบื่อมนะันละต้องหาของใหม่อยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่มันก็เหมือนกันมีของนุ่นใหม่ออกมาเท่าไหร่มากน้อยเวลาได้มาใหม่ๆก็สุขดีใจกัน เด่๋ยพอชินตาชินง่ายอะไรแล้วก็เบื่อละ mm hmm. <ๆ>เฉยเฉยอย่าไปหาความสุขแบบนี้ mm hmm. หาความสุขแบบนี้หาจนมันตายก็จะไม่เจอ mm hmm. ต้องหาความสุขจากการฝืนความอยากเหมือนพุนเจ้าหรอกถ้ายิ่งฝืนความอยากได้ใจยิ่งมีความสุขใจยิ่งสบายใจยิ่งไม่หิวใจยิ่งสงบ mm hmm. <ๆ>นี่การชำระใจนี่ด้วยการ ด้วยการชำระกิเลสความโลภความอยากนี้จะทาให้ใจเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเลิกดื่มกาแฟได้สบายเลิกดื่มเหล้าได้ยิ่งสบายใหญ่เลิกสูบบุหรี่ได้ยิ่งสบายใหญ่เลิกเที่ยวได้ยิ่งสบายใหญ่เลิกช้อปปิ้งได้ยิ่งสบายใหญ่เราไม่เชื่อลองทำดูเลยแล้วภาระกดดันในการที่จะต้องไปหาเงินทองก็น้อยลงไปไม่จาเป็นจะต้องไป น, นินรน หาเงินหาทองมาแทบเป็นแทบตายหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้มันไปหมดหมดแล้วก็เหมือนเดิมกลับมาจุดเริ่มต้นก็คือไม่พออยู่ดีไม่สุขอยู่ดีสุขเดียวเดียวลองหัดมาเอาความสุขจากการไม่ทำตามความอยากเลยละ่างสูตรบรีไปเรื่องกับการหยุดสุบุหรีน่นีถามตัวเองดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันดื่มเหล้าไปเรื่อยๆกับไม่ดื่มเหล้านี้อันไหนดีกว่ากัน เที่ยวไปเรื่อยๆกับไม่เที่ยวนี่อันไหนมันดีกว่ากันช้อปปิ้งไปเรื่อยๆกับไม่ช้อปปิ้งนี่อันไหนดีกว่ากันลองคิดอย่างนี้มันถึงจะมีกําลังจิตกําลังใจที่จะทําให้เราสู้กับมันได้ถ้าเราไม่ใช่เหตุไม่ผลเราจะสู้ไปไม่ได้เพราะเห็นอะไรชอบขึ้นมานี่ใจอ่อนไปละเห็นอะไร สวยหน่อยไปแล้ะแต่ไม่ไปคิดว่ามันไปเดียวเดียวเดี๋ยวพอได้มาแล้วมันก็เบื่อล่ะสวยขนาดไหนดีขนาดไหนพอได้ใช้ไปสักพักก็เบื่อแล้วสู้อยากไปมีดีกว่าอยู่แบบไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้ที่อยู่อย่างมีความสุขแบบไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็เคยมีข้าวของเงินทอง มากมายกายกองเหมือนกับพวกเรามากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่ามีปราสาทสามฤ ด, ดูเป็นพระราชโอรสเนี่มีนางสนมกำนันมีบริษัทบริวารคอยบริการตลอดยี่บสี่ชั่วโมงต้องการจะกินอะไรดื่มอะไรดูอะไรฟังอะไรนี่เพียงแต่กระดิบนิ้วปั๊บก็มาแล้วแต่ใจท่านก็รู้ว่ามันไม่สุขมันไม่อิ่มไม่พอ พอดูปั๊บก็หายไปแล้วความสุขที่ได้จากการดูก็หายไปแล้วพอดื่มปั๊บความสุขที่ได้จากการดื่มก็หายไปแล้วแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดความอยากขึ้นมาใหม่นลถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้ดูก็ทุกข์แหละพระพุทธเจ้าก็เลยไม่เอาความสุขแบบนี้รู้ว่าเป็นความสุขบลอมแล้วก็ไปหาความสุขแบบไม่ต้องมีอะไร จะไม่มีอะไรได้ก็ต้องฝืนความอยากความอยากมีอยากมีอะไรก็ไม่เอาอยากเป็นอะไรก็ไม่เป็นอยากได้อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นพอตัดความอยากได้หมดแล้วสบายเหมือนคนไม่ติดบุหรี่ไม่ติดสุราไม่ติดเที่ยวไม่ติดการพนันไม่ติดอะไรต่างๆแล้วมีความสุขมากมากกว่าคนที่ติดเนียะ นี่คือวิธีการคิดของคนฉลาดที่เราคิดกันไม่ถึงเราคิดกับตาลปัดเราคิดแต่เห็นประโยชน์สั้นๆความสุขเบื้องต้นที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆแต่เราไม่คิดยาวเราไม่คิดไปตลอดเราไม่คิดคบขบวนการคิดแต่เฉพาะประโยชน์ที่เราจะได้ในเบื้องต้นแต่ไม่คิดถึงโทษคิดถึงทุกข์ที่จะตามมาในบ้านปลาย เราก็เลยต้องมาเจอความทุกข์กันในบ้านปลาย mm hmm. เวลาของที่เราได้มาหายไปจากเราไปเป็นยังไงเวลาเสียสิ่งที่เรารักไปเสียคนที่รักไปนี่ใจสบายนะ mm hmm. แล้วมันต้องเสียเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. เขาไม่ไปจากเราเราก็ไปจากเขาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ร่างกายของเราร่างกายของคนที่เรารักไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไปนี่คือวิธีคิดของคนฉลาดให้เห็นว่าความสุขที่เรากำลังหากันนี้เป็นความสุขชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันหมดไปงั้นอย่าไปหาให้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องหาอะไรอยู่แบบไม่ต้องการอะไร แล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายก็เปรียบเทียบอยู่ระหว่างคนที่ติดบุหรีกับคนไม่ติดบุหรี่ใครจะสบายกว่ากันคนที่ต้องสูงบบุหรี่กับคนที่ไม่ต้องสูบบุหรี่ใครสบายกว่ากันคนที่ต้องเที่ยวกับคนที่ไม่ต้องเที่ยวใครสบายกว่ากันคนที่ต้องช็อปกับคนที่ไม่ต้องช็อปนี่ใครสบายกว่ากันใช่ไห ม, มคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ฝืนกิเลสได้เลิกกิเลสได้ พอเราชนะกิเลสแล้วสบายจะไม่มีอะไรมาลบโกนใจเราต่อไปทุกวันนี้เราเป็นาธาตุาตของกิเลสพอกิเลสสั่งปุ๊บนี่ต้องไปทาําตามมันสั่งนะแป๊บกาแฟมาถ้วยไปไปแล้วแป๊บบุหรี่มามวนไปแล้วเอาเหล้ามาขวดไปแล้วไม่ไปเดี๋ยวโดนกิเลสมันเหยียบพอไม่ไปรู้สึกไงโอ้โหงวดหงิดลาคาญใจขึ้นมา ฟาดม่วงคว่า ง, งาขึ้นมาเลยเวลาไม่ได้ดังใจอยากขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพยายามหัดมามามาคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดมาเรียนรู้วิธีคิดของพระพุทธเจ้าโดยการฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่านแล้วจะทำให้เราฉลาดจะทำให้เรา ดำเนินชีวิตของเราไปสู่ความสุขและความเจริญสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความวุ่นวายใจต่างๆ<ม>อันนี้เรามีมากมีน้อยเราทุกคนมีความวุ่นวายใจกันทั้งนั้นมมไม่ช้าก็เร็วมากหรือน้อยมันมีกันอยู่แทบทุกวันไม่วุ่นวายกับเรื่องนั้นก็วุ่นวายกับเรื่องนี้ ม, มันมีเรื่องให้วุ่นวายอยู่เลยเพราะใจเราไปอยากกับมัน อย่ากให้มันเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนี้ก็วุ่นวายแล้วแต่ถ้าเราปล่อยมันมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปเราอยากยาก็อหยัดสักอยาก่างเราก็จะไม่วุ่นวายปัญหาทั้งหมดอยู่ที่กิเลสตัณหาของพวกเราเท่านั้นเองฉะนั้นพยายามจดจําคํานี้ไว้ว่าตัวที่เป็นปัญหากับพวกเราก็คือความโลภความอยากของพวกเราฉะนั้นพยายามใช้เหตุช่วยผลเวลาโลภหรือเวลาอยากใช้เหตุใช้ผลมันจําเป็นไม่ต้องมีไม่ ไม่มีแล้ตายไมไม่ตายก็ปล่อยมันไปเถอะไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันจะทำอะไรใครจะทำอะไรก็ปล่อยก็ทำไปถ้าเขาทำแล้วไม่ทำให้เราตายเราก็อย่าไปวุ่นวายกับเขาเลยปล่อยเขาทำไปนะแล้วเราก็ห้ามเขาขได้หรือเปล่าถามดูเราอยากแล้วเราสั่งให้เขาทำอย่างตามที่เราสั่งได้หรือเปล่านะถ้าสั่งได้ก็สั่งไปนะถ้าสั่งไม่ได้ก็ต้องหยุดสั่งหยุดอยาก ถ้าไม่หยุดอยากแล้วก็จะทุกข์ถ้าหยุดอยากได้แล้วก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีคิดของของพระพุทธเจ้าที่เราจะมาเรียนรู้กันแลนะนําเอาไปปฏิบัติถ้าเราคิดตามที่ท่านสอนได้รับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขความน้อมเย็ยนมีแต่ความสบายใจตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนะงั้นขอให้เราเอาไปคิดสามข้อนี้ คิดละการกระทาบาปทั้งปวงคิดสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรและคิดชำระความสโสกโกรกของใจคือชำระความโลภความอยากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราให้หมดสิ้นไปนับรองได้ว่าเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริง ว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปาริโุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ อิติตังปฏธิตังตุงหังกิปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจันนุสาภะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีคายุโกภะ อะพิวาธนาสีลิสะนิจังุทธาปจายโนจัตาโรโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาังใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบได้หนังสือก็เป็นหนังสือธรรมะที่สอนให้เราคิดเนะี่ย เราคิดไปในทางที่ถูกมีคำถามอะไรก็ถามได้นะ อ, อ, อันนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาถามตอบปัญหาฟังอะไรไม่เข้าใจกนะับ อ, อ, อยากทราบวิชาสามนี่นะครับที่ว่าถอนถอนอสวกนี่ความหมายคืออะไรอนศะวกก็คือกเกลยเนี่ย ก็คือวิชาที่พระพุทธเจ้าบรรลุมีอยู่สามวิชาวิชาแรกระลึกชาติได้สองวิชาที่สองรู้กรรมของสัตว์ต่างๆถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมแล้วิชาที่สามก็อาสวัคคยาญาณวิชาที่กำหนดกําจัดกิเลสตัณหาได้สิ่งที่มันกุดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรารู้แล้ว เราลับมันได้คือเป็นการกำจัดนะครับก็ดูเัเเวย่าเช่นเราเราเรารู้ว่าดื่มสุดาไม่ดีเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ที่ว่าเราเลิกดื่มสุดาได้หรือเปล่าถ้าเราเลิกได้ก็แสดงว่ากำจัดนั้นได้ถ้ารู้เฉยๆแล้วยังยังดื่มต่อรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังไม่เลิกอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้รู้ว่าไม่ดีแล้วต้องเลิก แล้วโทสะที่มันฝังอยู่ในอดีตความทรงจำอะไรพวกนี้มันเลิกได้ถ้าถ้ารู้ต้นเหตุของของโทสะว่าเกิดจากอะไรไโทรสะต้นเหตุของโทสะ ก, ก็คือความความอยาก อ, าอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเราก็เลิกความอยากอย่าไปอยากให้เขาทำปล่อยเขาไปเขาอยากจะร้ายกับเราก็ปล่อยเขาร้ายกับเราไป เ่าอยากไปอยากให้เขาดีากับเราถ้าไปอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีเราก็โกรธเขาเขาอยากจะดีอยากจะร้ายกันเรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความอยากแล้วความโกรธก็จะเกิดไม่ได้เเวลาเราโกรธอะไรเราลองตรวจตาดูว่าเราโกรธเพราะอะไรกดเพราะเราไม่ได้ดังใจอยากใช่ไหมอยากได้อย่างนี้แล้วไม่ได้เราก็โกรธแล้วเราก็ หยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่โกรธความโกรธเกิดจากความโลภความอยากความโลภเกิดความโลภความอยากเกิดจากความหลงความไม่ร okay, no ู้ว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราจึงต้องมาดูว่าสิ่งไหนที่เป็นสุขสิ่งไหนที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้ เช e ่นลาบยศสัลเสนทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเนี่ยเราโลภเราอยากกันแต่เราไม่รู้วมเป็นทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากกันถ้าเราไม่อยากเราก็จะสบายคนที่ไม่ต้องไปหาเงินทองกับคนที่ต้องหานี่ใครสบายกว่ากันคนที่ไม่หาเงินทองก็ต้องเป็นคนคนที่จะไม่หาเงินทองได้ก็ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่เงินทองใช่ไหม ถ้าใช้เงินทองมันก็ต้องหาแต่ถ้าไม่ใช้เงินทองแล้วหามาทาไมหามาแล้วไม่ใช้่มาเป็นพระสิเป็นพระก็ไม่ต้องหาเงินทองเพราะไม่ได้ใช้เงินทองเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช้เงินทองพระพุทธเจ้าบอกการไม่ใช้เงินทองเนี่ยเป็นความสุขการใช้เงินทองเนี่ยเป็นความทุกข์พอใช้แล้วมันก็หมด หมดก็ต้องหาใหม่แล้วความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองมันก็หมดใช้มาเท่าไหร่เดี๋ยวพอได้มารับเดี๋ยวก็หายไปแต่การไม่ใช้เงินทองนี่กลับเป็นความสุขเพราะสบายไม่ต้องไปกังวลกับการหากับการเก็บกับการรักษานี่คือปัญญาคนที่รู้ความจริงก็เลยไม่โลภ ถ้าถ้าถ้าหลงก็จะโลภหลงในราบยศสรรเสริญเพราะคิดว่าราบยศสรรเสริญนี้ได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่มองว่ากว่าจะได้มันมันเหนื่อยไหมมันยากลําบากขนาดไหนกว่าจะได้ราบยศสรรเสริญมาเนี่ยมันต้องดิ่นรนต่อสู้บางครั้งก็ต้องทําบาปทํากรรมเมงไม่เห็นว่าเป็นทุกข์กลับไปว่ามันเป็นสุข คนฉลาดอย่างพุทเจ้าบอกนั่งเฉยๆเนี่ยสุขแล้วไปหามันทําไมไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินใช่ไหมถ้าไม่ต้องการมีอํานาจก็ไม่ต้องไปหาอํานาจไม่ใช้อํานาจมันก็ไม่ต้องมีอํานาจถ้าอยากจะใช้อํานาจบังคับข่มเหงรังแกผู้อื่นมันก็ต้องมีอํานาจแต่ถ้าไม่อยากจะไปบังคับผู้อื่นบังข่มเหงรังแกผู้อื่นก็ไม่ต้องมีอํานาจไม่ต้องไปใช้คนอื่น ใช้ตัวเองหัดใช้ตัวเองิพึ่งตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำเองไม่ต้องไป ม, มีคนใช้ถ้ามีคนใช้มันก็ต้องก็ต้องหาอำนาจให้คนมารับใช้เราเห็นไมพอมีตาแหน่งเดี๋ยวก็มีคนมายินดีมารับใช้เราแล้วแต่พอหมดตาแหน่งเขาก็ไม่รับใช้เราอีกแล้ว คนมีปัญญาเขาถึงเห็นว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี่เป็นทุกข์ทุกข์มาว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดก็ต้องหาใหม่เวลาหาก็ทุกข์มันไม่ใช่เหมือนกับรองน้ำฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาแบบน้ำฝ น, นราบยศสรรเสริญ น, นี่มันต้องแก่งแย่งชิงดีกันดีไม่ดีกันถึงกับฆ่าฟันกัน มันเป็นทุกข์สงครามเกิดขึ้นก็เพราะว่าการแก่งแย่งชิงดีในราบยศสรรเสริญแก่งแย่งในรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมันไม่แก่งแย่งอะไรกันหรอกฆ่าฟันกันเป็นบาปเป็นกรรมจองเวรจองกรรมกันข้ามพมข้ามภพข้ามชาติกันก็เพราะความหลงตัวนี้ที่มองไม่เห็นว่าความอยากในราบยศสรรเสริญสุขนี่เป็นทุกข์มีพระพุทธเจ้าคนเดียวในโลกนี้ที่รู้ความจริงอันนี้ แล้วก็มาสั่งมาสอนพวกเราเนี่ยท่านได้อาสวัคยาญาณเนี่ยคือเห็นว่าเนี่ ย, ยความทุกข์เกิดจากความอยากเห็นอริยสัจสี่ท่านก็เลยหยุดความอยากหยุดความอยากในลาบยศรเสสนในความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายด้วยพลังของสติสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศินสมาธิปัญญาก็จะหยุดมันไม่ได้ ท่านึงมาสอนให้พวกเรามาสร้างศีล ส, สมาธิปัญญากันพอเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะหยุดความอยากต่างๆได้อยู่ที่บ้านสภาพแวดล้อมจะไม่ค่อยเอื้อในการทำสมาธิครใช่ก็ในพุทธการเวลาคนเขาบวชเขาก็จะบอกว่าการเป็นคารวาส น, นี่มันวุ่นวายนเนาะก็ต้องไปบวชกันไง พอไปบวชแล้วมันก็จะมีที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญเอื้อต่อการหยุดความอยากอยู่อยู่ในบ้านมันมีแต่ความอยากรอบด้านเดี๋ยวคนนั้นก็กินข้าวคนเย็นคนนั้นก็ดูหนังฟังเพลงแต่มาอยู่ที่วัดแล้วมันไม่มีทุกคนทําเหมือนกันหมดข้าวเย็นไม่มีกินตอนเย็นก็ไปสวดมนต์แทนีไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนมันก็ไม่หิวนี่ คนที่มาบวชนี่สามบวชสามเดือนนี่สึกไปนี่น้ำหนักลดสิบกิโลเพราะไม่มีข้าวเย็ยนกินกินกินธรรมะแทนสวดมนต์ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปใจก็อิ่มเหมือนกันได้กินข้าวเย็ยนอิ่มกว่ากินข้าวเย็ยนซะอีกร่างกายก็เลยสบายน้ำหนักก็เลยลดนี่คือ เรื่องของศาสนาที่เราต้องมาพึ่งเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขกันอย่างแท้จริงเราไปเจอแต่ความสุขปลอมความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเหมือนเหมือนยาขมเกือบน้ำตาลเวลาอมใหม่ๆก็หวานพอน้ำตาละละลายหมดที่นี้ขมปีเลยของต่างๆที่ได้มาใหม่ๆนี่หวานจ้อยนะ แต่งงานกันก็เลยพันนิมูลนะน้ำพึ่งพระจันจร์แต่ไม่นานเดี๋ยวกลายเป็นพระจันจร์เลือดขึ้นมารอดนิมูลทะเลา ก, กันเนยเกิดสงขงขึ้นมาในบ้านนั่น <Okay. Okay. S 1> เองใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามบ้างท่านถามฝากถา ม, ถา ม, ถามข้อที่หนึ่งค่ะหนูสงสัยว่าเมื่อเราเรากิด เรานำความสุขความทุกข์มาสู่โลกเมื่อเราใช้ชีวิตต่อให้ดีแค่ไหนได้ช่วยได้ช่วยคนและก็ได้ทำร้ายคนด้วยเราจะเราจะหลุดพ้นได้ยังไงคะก็มไม่หลุดไงเราต้องจะหลุดได้ก็ต้องมาหยุดความอยากหยุดความอยากหยุดความโลภมันถึงจะหยุดพ้นจากการมาเกิดได้การทำความดีมันก็ทำให้เราอยู่กันอย่างเป็นความสุขแทนที่เราจะมาแข่งแย่งชิงดีกัน มาฆ่าฟันกันแล้วก็มาอยู่แ<ม>บบช่วยเหลือกันดีกว่าท<ม>่านถึงบอกให้ละการแข่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันแล้วมาเกื้อกูลกันมาสนับสนุนกันมาช่วยเหลือกันแล้วจะอยู่กันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่ายังจะต้องกลับมาเกิดมันก็ดีกว่าอยู่กันแบบสงครามดูสังเกตประเทศที่ก็มีสงครามดูไปยังไงประเทศซีเรียตอนนี้มีที่ไหน คนนี้ทุกข์กันมากเรานสบายเนี่ยเมืองพุทเรายังมีศาสนายังสอนให้คนมีความเมตตาต่อกันเราก็เลยมักจะไม่ค่อยมีสงครามกันเท่าไหร่ข้อที่สองค่ะฝึกจิตปล่อยวางเข้าใจได้ค่ะแต่ความทุกข์กายทุกใจของคนอื่นที่เกิดจากเราจะแก้อย่างไรค ะ, คะก็เราอย่าไปทำให้เขาทุกข์กายทุกใจเ่ยถ้า ถ้าเป็นการกระทําของเราเราก็ต้องหยุดแต่ถ้าเป็นการกระทําของเขาเองเข้ามาทุกข์เพราะเราก็ช่วยไม่ได้เช่นเราทําอย่างนี้เขาอยากจะให้เราทําอย่างนั้นพอเราไม่ทําเขาทุกข์นี่มันเป็นเรื่องความทุกข์ของเขามันเป็นเรื่องของความอยากของเขาอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเขาทุกข์เพราะว่าเราไปทุกตีเขาเราก็ต้องหยุดเลยเราอย่าไปทุกตีเขาแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเขาทุกข์เพราะความอยากของเขาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลานั่งสมาธิมักมีเสียงรบกวนโดยเฉพาะเวลาปีกวิเวทมักได้ยินเสียงที่น่ากลัวค่ะโยมจึงใช้ที่อุดหูทำให้จิตสงบเร็วขึ้นเพราะได้ยินแต่เสียงลมหายใจของตัวเองอยากทราบว่าวิธีการนี้ผิดไหมคะไม่ผิดหรอกถ้าทำให้ใจสงบได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าดีกว่านั้นก็คืออย่าไปสนใจมันอยู่กับเสียงนั้นไปแต่อย่าไปสนใจมันจะมีเสียงก็อย่าไป กังวลกับมันใ ห, ให้เราอยู่กับการดูลมของเราไปดูพุโทโธไป <Yeah. S 1> เพราะไม่งั้นมันจะเป็นการการะทําที่ไม่เป็นธรรมชาติ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเบื้องต้นทําไม่ได้ก็หุดอะไรมาอุดหูก่อนก็ได้ <Yeah. S 1> เพื่อจะทาใจให้เราสงบพอใจเราสงบเป็นกลางแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กับมันได้อยู่กับสิ่งต่างๆได้แล้ว yeah. ถ้ากลัวเห็นอะไรจะใช้ที่ปิดตาด้วยได้ไหมคะเออไม่มันปิดตามันก็เห็นเนะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นด้วยตามันเห็นด้วยใจออย่างนั้นก็ต้องใช้สติเท่านั้นเนะต้องพึ่งสติให้ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็อย่าส่งใจไปหาสิ่งที่กลัวให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอใจสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปสิ่งที่มีอยู่อาจจะไม่หาย แต่เราจะไม่กลัวมันเราจะเฉยเฉยคำถามจากคุณโตมรค่ะนั่งสมาธิง่วงนอนลระอาจารย์ให้ไปหาที่น่ากลัวเช่นในป่าช้าแล้วถ้าผีมันมาจะทำยังไงครับผมเป็นคนที่กลัวผีมากค่ะ <c oughs> ทำไมมันต้องมาตอนที่อยู่ในป่าช้าถ้ามันจะมาที่ไหนมันก็มาได้ไม่ใช่หรอือทำไมต้องอยู่ในในป่าช้าอย่างเดียวทีมันไม่มีบริเวณจากัดนั้นร่างกายเรา ผีนี่มันสามารถไปได้ทุกแข่งทุกคนทุกคนทุกแข่งผีส่วนใหญ่มันเป็นผีในใจถ้ามันมาก็ให้รีบพุโทโธไปพอเราไปนั่งแล้วเราต้องมีสติดีๆถึงจะไปได้ถ้าสติไม่ดีเดี๋ยวก็พอผีมาก็จะโกยเาะนั้นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนให้มีความมั่นใจว่าพอผีมาผีมาเราอยู่กับพุโทโธได้ไม่อยู่กับการสวดมนต์ได้สวดอิติปิโสไปร้อยจบ สวดไปอย่าไปคิดถึงผีเดี๋ยวผีมันก็หายไปเดี๋ยวใจสงบผีก็หายไปผีมันเกิดจากใจเราสร้างมันขึ้นมาเองคำถามจากคุณทิพตะวินค่ะขณะที่ทำสมาธิพอสามารถดังคับจิตไม่ให้สนใจกับอาการต่างๆของร่างกายได้ก็รู้สึกว่าจิตสงบลงแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งพูดให้ปล่อยวางสิ่งที่โยมวิตกกังวลโดยใช้คาสอนของพระอาจารย์ที่โยมได้ฟังมา เลยอยากทราบว่าเป็นเสียงของปัญญาหรือสัญญาคะความอยากทราบนียก็เป็นกินเลสหรือเปล่าไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปทราบมันนรอกมันจะเป็นอะไรก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ามาใช้มันคำถามจากคุณพรทิพาค่ะการปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วอธิษฐานจิตถวายเตนพระราชากุศสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านจะได้รับไหนคะต้องไปถามท่านดูเลยท่านเป็นคนรับนะมาถามเราทำไมถ้าถ้าอุทิศให้เราก็ก็มาถามเราได้แต่เราคิดว่าคงไม่ได้รับนะเพราะเรายังไม่มีบุญขนาดนั้นนั่งสมาธิไม่ได้ไหมคมว่านั่งเราจะได้ผลนะคนร้อยคนนี้นั่งเป็นสิบปียังคนนี้ส่วนใหญ่นั่งกันเป็นสิบปียังไม่ได้ผลนะ มันจะได้ผลกิตต้องรวมเป็นหนึ่งเป็นคณิกะสมาธิแร้วเป็นอัปปนาสมาธิถึงจะเรียกว่าได้ผลคำถามจากคุณปรกรณ์วิทย์ค่ะพระอาจารย์ครับเราไม่ฆ่าแต่เราซื้อเขาเราบาปหรือเปล่าคะถ้าของที่ตายแล้วเราไม่มีส่วนกับการสั่งเขาหรือทำทำการฆ่านั้นไม่บาปเวลาไปที่ตลาดเรามีเนื้อสัตว์ที่เขาแลกขายอยู่นีกายเป็ด กายตายเป็ดตายนี่เราไม่มีส่วนร่วมร่วมกับการกระทำของเขาเราซื้อนี่ไม่บาปคำถามจากคุณอารยาค่ะเวลานั่งสมาธิจิตจะรวมนิ่งสงบสบายในท่านั่งที่เอ็หลังไปข้างหลังแทบทุกครั้งแต่พอนั่งให้หลังตรงจิตก็ไม่รวมควรจะทำอย่างไรดีคะก็มันนั่งสบายมันรวมแต่มันรวมแบบกิเลส มันไม่ได้รวมจริงมันรวมแบบจะหลับงั้นนั่งให้มันตรงเลยค่ะมันต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาใหม่ๆ ม, มันอาจจะไม่รวมแต่ถ้าเราฝึกสติให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็รวมคําถามจาคุณสันเทศค่ะการทำที่สุดแห่งทุก์เป็นภาระหรือหน้าที่ครับก็เราอยากจะพ้นทุกข์หรือเปล่าถ้าเราต้องการพ้นทุกข์มันก็เป็นหน้าที่ของเรา จะเรีกว่าภาระก็ได้หน้าที่ก็ได้มันไม่สําคัญอะ่ะสาคัญอยู่ที่ว่าเราต้องการมันหรือไม่ต้องการมันถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะทําไงกับมันเราจะอยู่กับทุกหรือว่าเราจะกําจัดทุกคําถามจากคุณฟ้าค่ะอยากออกบวชค่ะแต่แม่ไม่ให้บวชทํายังไงดีคะก็เรากับแม่เป็นคนคนเดียวกันที่ไหนเ่ะแม่ไม่ได้บวชกับเราเนี่ย เราจะบวชเราก็บวชของเราเวลาไปเที่ยวแม่ไม่อยากให้ไปเที่ยวเราไปหอเปล่านะเราทําตามแม่สั่งทุกอย่างหรอือเปล่าพอจะบวชปั๊บมามี ม, มีมีเงื่อนไขยังต้องทําตามแม่แล้วสิแต่เวลาไปเที่ยวไปมีแฟนแม่บอกไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้มีแฟนแล้วทําตามที่แม่พูดหรอือเปล่ากิเลสมันจะหลอกเราอยู่เรื่อยพอถึงเวลาจะทําของดีกิเลสมันจะมาหาเรื่องนะแต่เวลาทำความชั่วนี่กิเลสมันไม่มาห้ามเลย คำถามจะกคุณอารยาค่ะมีแม่ชีคนหนึ่งสอนว่าหากอยากมีชีวิตที่รุ่งเรืองไม่ควรจะดุดาสามีจริงไหมคะไม่ควรจะด่าใครทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวว่าแต่สามีเลยถ้าจะดา่า <c oughs> ก็ว่าคนที่เขาอยู่ภายใต้ที่เราปกครองเช่นลูกแต่ก็ด่าไม่ได้ให้ด่าแบบอารมณ์ดา่าหมาคําว่าว่ากล่าวตักเตือนสอนสอนเรื่องผิดเรื่องถูกนี้่ แต่การด่าไม่ว่าจะด่าใครไม่ดีใช่ไหมก็เรียกพลรุษสว่าเป็นบาปผิดศีลคำถามจากคุณทิมพรค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิภาวนาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วใช้อิติปิโสแล้วพอจิตสงบแล้วก็มีน้ำตาไหลเหมือนอยู่ข้างในแต่หนูก็อิติปิโสไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนจะตกหลุมตกบ่อแต่มันก็เด้งขึ้นมาค่ะ ถ้าครั้งหน้ามีอาการแบบนี้อีกหนูจะต้องทำอย่างไรคะเพื่อเพื่อไม่ให้มันเด้งค่ะ<อ>ก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจอย่าไปคาดว่ามันจะลงตกลุ้มตกบอ่อถ้าไปคาดแล้วมไม่ลงให้อยู่กับอิติปิโสไปเรื่อยๆหรือถ้าหยุดอิติปิโสได้ดูลมต่อไปได้ก็ใช้ดูลมอาจจะดีกว่าดูลมจะได้ไม่ต้องใช้ความคิด ส, ส่วนอิติปิโสนี่มันยังต้องใช้ความคิดอยู่มันอาจจะไม่ลง คำถามจากคุณสามพกค่ะการสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้วสวดบทพระบาลิปจําเป็นหรือไม่ครับแล้วแต่เราไงถ้าเราว่าจําเป็นก็จําเป็น <c oughs> ว่าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นไม่สวดเลยก็ได้พระปฏิบัตินี่บางทีถ้าไม่สวดเลยแต่ก็นั่งสมาธิไปเลยการสวดนี่ก็เป็นการเจริญสตินี่เองเพื่อจะได้นั่งสมาธิให้สงบได้ ถ้ามีสติแล้วสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วถ้าสวดบทอัญเชิญเทวดาแล้วท่านจะลงมาจริงหรือเปล่าครับก็ต้องก็ต้องดูเลยก็ลองลองเชิญดูเลยคำถามจากคุณประสิฐค่ะทำธุรกิจอยู่แต่ตอนนี้รายได้ไม่ไม่ค่อยจะพอรายจ่ายถ้าอยากทำเพิ่มเป็นกิเลสไหมครับ ก็เป็นถ้าอยากจะไม่ให้เป็นกิเลสก็ลดรายจ่ายลดรายจ่ายแล้วให้รายจ่ายพอกับรายได้มันก็ไม่เป็นกิเลสคำถามจากคุณฤทธิรงค่ะขออุบายทำสมาธิในการประคองสติเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นในขณะปีกตัวทาสมาธิคนเดียวเพราะเมื่อเกิดความเบื่อทาให้กาลังในการทาสมาธิลดลงค่ะก็พยายามอย่าไปคิดให้พุโทโธไป ยิ่งคิดก็ยิ่งเบื่อใหญ่งั้นอยากคิดไปอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องสนใจกับความคิดต่างๆคาถามจ้คุณคาวีค่ะต่อมาทำรังที่บ้านกลัวมาต่อยพ่อแม่พ่อเลยบอกญาติมาเผาเราจะบาปไหมครับก็เราไม่ได้เป็นงนทำจะบาปตรงไหน่ะคนที่สั่งเากับคนทำนั้นก็บาปคาถามจาาคุณเกษมศักดิ์ค่ะ สมธกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันอย่างไรครับก็สมาธก็คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิทำใจให้นิ่งสมถธวิปัสสนาก็คือการทำใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อจะได้ปล่อยวางความอยากได้สิ่งต่างๆไปคำถามฝากถามค่ะเพื่อนของโยมไปมีชู้ แล้วสามีเขามาขอแล้วให้โยมไปช่วยพูดให้หน่อยประมาณว่าให้ช่วยเตือนสติภรรยาเขาหน่อยโยมเรียนถามว่าจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะเรื่องของชาวบ้านเราอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเราก็โดนลูกหรอกเนี่คคำถามจากคุณทิติชัยคะ่ะในชีวิตคนทั่วไปทุกวันนี้มีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลอยากทราบว่าถ้าเราใช้วิธีกาหนดสติกากับกายในระหว่างวัน จะพอทดแทนกันนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธได้มากน้อยเพียงใดครับอ๋อทดแทนไม่ได้หละมันเป็นคนละเรื่องกันสติก็เรื่องของสติสมาธิก็เรื่องสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนนั้นการเจริญสตินี่สําคัญเจริญไปก่อนพอมีสติแล้วก็ต้องหาเวลานั่งแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งดูละครดูอะไรก็เอามานั่งสมาธิคนเรามีเวลาเท่ากันทุกคนยี่สิบชั่วโมงเหมือนกัน แล้วจะมาว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิได้ไงพระนี่เขานั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เราทําไมไม่มีเวลาก็เพราะเราเวลาไปทําอย่างอื่นก็ เ, เวลานั้นกลับมานั่งสมาธิสิเอามาใช้กับการนั่งสมาธิอะอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องทําก็อย่าไปทํามันดูละครจําเป็นไหมไม่ไม่ดูแล้วตายหรือเปล่าทํานู่นคุยกันดูไลน์ดูอะไรแชทกันทั้งวันทั้งคืนนะมันได้อะไร เอาเวลามานั่งสมาธิเซ่เวลามีแต่ไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์เองเอาปล่อยให้เวลามีคุณค่านี้หมดไปกับเรื่องไร้าสาระทั้งหลายคำถามจากคุณพีโกนค่ะตามที่พระอาจารย์บอกว่าหูรับทุกเสียงที่เข้ามาหูไม่แยกแยะว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วถ้าสิ่งที่เข้ามาทางใจเป็นทุกข์ผมพยายามให้ใจไม่เลือกชอบหรือไม่ชอบคือนิ่งๆ คำถามถ้าเป็นความสุขทางใจควรเลือกให้ใจนิ่งหรือรับรู้ความสุขนั้นๆนครับก็ต้องรับรู้ด้วยแล้วก็นิ่งด้วยเพราะมันมันมันหนีไม่พ้นเวลาเจออะไรก็ต้องรับรู้เพียงแต่รับรู้แล้วเราอย่าไปมีความรักความชอบวิธีที่ใจเราจะไม่รักไม่ชอบก็ต้องก็ต้องเฉยก็ต้องมีอุเบกขาจะมีอุเบกขาได้ก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตรวมเป็นสมาธิบ่อยๆ ถ้าจิตรวมบ่อยใจก็จะเป็นอุเบกขามากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปใจก็จะเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคําถามจากคุณจั ก, การินค่ะเป็นคารวาดขุดดินปลูกต้นไม้แล้วถูกตัวสัตว์ในดินโดยไม่ได้เจตนาผิดปาณาติบาตเลยครับถ้าไม่ตั้งใจมันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้ารู้ล่วงานมันจะมีก็ถ้าทําก็เหมือนกับตั้งใจอยู่ดีะ คำถามจากคุณตองค่ะโยมไม่สบายและหมอยังหาสาเหตุไม่ได้ตรวจเลือดตรวจทุกอย่างแต่ก็ไม่เจอสาเหตุตอนนี้โยมเลยปล่อยแล้วเราจะเป็นบาปไหมคะที่ปล่อยเฉยๆกินไม่ไม่ค่อยได้กินไม่ลงโยมคิดว่าถ้าร่างกายมันหิวมันจะกืนลงเองอย่างนี้โยมสบายใจไม่บาปใช่ไหมคะไม่บาปเนะก็ถูกต้องแนละ้วเราไม่ได้ไปฆ่าร่างกาย เราพยายามรักษาแล้วเมื่อรักษาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามตามบุญตามการรมไปคนถามจากคุณคิวค่ะในบางครั้งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีแรงมาดึงเบาๆตรงกลางหน้าผากแล้วบางครั้งมีภาพเกตงูลอยไปมาถือว่าเป็นกิเลสไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่จะมาคอยทําให้เราเสียสมาธิเราก็อย่าไปสนใจค่ะ คำถามจ้าคุณนงรักค่ะลูกทาวัดเดย็นเสร็จแ ล, แล้วนั่งสมาธิต่อสักพักรู้สึกสว่างว่าไปหมดเหมือนกับว่าไม่มีตัวเราอยู่สักครู่ก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมค่ะไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรเจ้าคะจิตมันก็เริ่มสงบนะพอจิตเริ่มสงบมันก็จะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นสว่างเบาอกเ บ, กบาใจบางทีความรู้สึกทางร่างกายก็หายไปก็พยายามให้มันสงบบ่อยๆนานๆ คำถามจะคุณพารดีค่ะการถอนจิตออกจากกายด้วยการพิจารณากายให้เกิดความเบื่อหน่ายสามารถเข้าสามารถเข้าถึงการปล่อยวางและเข้าสู่พานิพันธ์ได้ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะเข้าสู่ขั้นของพระอนาคามีร่างกายนี้เป็นส่วนครึ่งหนึ่งของกิเลส ท, ที่เราไปยึดไปติดอยู่เราปล่อยวางร่างกายได้แต่เรายังไปยึดติดกับใจอยู่ เราก็ต้องไปขั้นหนึ่งขัง้นถ้าปล่อยวางจิตทั้งกายทั้งใจได้ก็จะเป็นพระอรหันต์ได้คำถามจากคุณโทมี่ค่ะถ้าใจอุเบกขาบ่อยๆเฉยอัตโนมัติต่อเนื่องถือเป็นปัญญาไหมคะก็เป็นอุเบกขาก็เป็นสมาธิจะเป็นปัญญาก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา คำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะการไปการไปทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติในช่วงเช้าในช่วงเข้าพรรษาตามที่วัดนั้นๆได้ประกาศเชิญ ญ, ญาติโยมมาทำบุญกับนั่งฟังธรรมหลวงพ่อเทศนั่งสมาธิเองอันไหนได้บุญมากกว่ากันคะไปทำบุญก็ได้ทานไงไม่ว่าจะทำกับใครแล้วเราจะไปรู้หรือพระเขาออกมาจากนิโรธสมาบัติเพียงแต่สมาธิ ขั้นต้นยังไม่ได้มันไปนิโรธสมาบัติได้ไงมันสมาธิขั้นสูงไม่มีใครในโลกนี้ได้กันหรอกนิโรธสมาบัตินี่ยากได้แค่ได้แค่สมาธินี้ก็แสนจะยากอยู่แล้วนั่งจิตให้สงบรวมนิโรธสมาบัติมันขั้นที่เก้านะเวลาจิตสงบนี่เป็นอัปปนาสมาธิมันขั้นที่สี่ยัน เขาจะโฆษณาไงก็ปล่อยโฆษณาไปเถอ ะ, ะ แ, ตแต่การให้นี้ให้ใครก็ได้บุญเท่ากันให้พระให้หมาก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าได้ความสุขใจเหมือนกั น, นส่วนการฟังธรรมนี้มันได้อีกอย่างได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดมันก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งถ้าเปรียบเทียบราคาก็บุญที่ได้จากปัญญามันมีราคามากกว่า บุญที่ได้จากการทำบุญทาทาน่ก็ต้องทำบุญทาทานก่อนรักษาศีลก่อนถึงจะมีมีความสามารถที่จะไปฟังเทศฟังธรรมได้ถ้ายังหวงเงินยังใช้ยังหาเงินอยู่ก็จะไม่มีเวลาไปฟังเทศฟังธรรมก่อนที่จะมาเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ต้องผ่านขั้นทานก่อนต้องลดการหาเงินหาทองลดการหวงเงินหวงทองก่อน จะได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมได้ถ้ายังหวงเงินอยู่ยังอยากได้เงินอยู่มันจะไม่มีเวลามันจะไปเอาเวลาไปหาเงินหาทองมันจะไม่มีเวลามาฟังธรรมแล้วการฟังธรรมนี้ก็ไม่ไหนมานคืฟังแล้วจะได้ปัญญาเลยฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้ปัญญาบางทีฟังคนเดียวไม่เข้าใจต้องฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดความรู้เข้ามาถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา อย่าวันนี้ญาติโยมมาฟังเนี่ยจะได้ปัญญามากน้อยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่เ ก, กิดความเข้าอกเข้าใจมากน้อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนได้มากบางคนได้น้อย <ver> Native Native <language> ก็อยู่ที่ความสามารถทางสติปัญญาว่าสามารถที่จะเอาไปรับเข้าไปในใจได้หรือไม่บางคนก็รับได้ไม่มากบางคนก็รับได้มากเหมือนเหมือนคนที่มาลองน้ําเนี่ยบางคนก็ถือขันมาบางคนก็ถือแก้วมา บางคนก็ถือกระป๋องมากระแป้งมาใครมีภาชนะใหญ่ก็จะรับน้ำไปได้มากใครมีภาชนะน้อยก็รับน้ำไปได้น้อยสิ่งที่ลองรับก็คือสติปัญญาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยมีน้อยก็รับไปได้น้อยมีมากก็จะรับไปได้มากวิธีจะทำให้มากก็คือมารับบ่อยๆมาฟังบ่อยๆ แล้วต่อไปภาชนะคือสติปัญญามันก็จะมีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากคุณพัทค่ะเวลาไปเดินซื้อกับข้าวได้เห็นดอกไม้สวยที่เราชอบและอยากได้ใจเลยฉุดคิดว่าซื้ออาหารที่จำเป็นต่ อ, อครอบครัวดีกว่าเลยผ่านความอยากไปได้อย่างนี้เรียกว่าละกิเลสได้ระดับหนึ่งไหมคะใช่จาใช้เหตุผลอย่างที่เมื่อกี้บอกว่า อันไหนมันจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็อย่าไปซื้อมาเลยเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเก็บเงินไม่ใช้กับสิ่งที่จําเป็นดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหามาให้มันเหน็ดเหนื่อยคำถามจากคุณมังกรค่ะกระผมอยากทราบว่าศักดิ์ศรีนั้นคืออะไรครับทั้งคนดีและคนชั่วต่างก็บอกว่าตนมีศักดิ์ศรีเป็นเหตุให้มีการทะเลาะฆ่าฟันกันครับ สักสีเราก็ไม่รู้ต้องไปค้นในกูเก l e ดูนแป ล, แลว่าอะไรคำถามจากคุณนัดค่ะบวชเรียนมาแล้วแต่พอกลับมาสู่เพศคาวาะแล้วกลับสู่สังคมปกติแต่มองไปทางไหนเดินไปทางไหนไมันรู้วุ่นวายไปหมดอย่างนี้ต้องทำยังไงดีครับพระอาจารย์ก็กลับไปบวชต่อสิเมื่อ <c oughs> มันวุ่นวายไปอยู่ทำไม ไปเจอที่สงบแล้วกลับไม่ยอมอยู่เพราะใจวุ่นวายพอมาอยู่ที่สงบใจกลับวุ่นวายเองอยู่กับเขาไม่ได้พอมาเจอที่ที่วุ่นวายก็ไปอยู่กับเขาไม่ได้อีกแล้วจะทำยังไงก็ต้องทําใจให้เราอย่าวุ่นวายเราไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่วุ่นวายก็ได้อยู่ที่ไม่วุ่นวายก็ได้แต่ถ้ามีทางเลือกก็อยู่ที่ไม่วุ่นวายสบายกว่า อยูที่วุนวายมันก็ต้องคอยหลบคอยหลีกเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาแต่ไปอยู่ที่ไม่มีเรื่องอยังขับรถบนถนน ท, นที่ไม่มีรถวิง่งกับรถมีรถวิ่งเยอะนี่เลือกเอาถนนไหนขับรถที่ไม่มีถนนไม่มีรถวิ่งนี่สบายขับไปคนเดียวนะเหยียบมันเท่าไหร่ก็ได้ถ้าขับไปแล้วมีรถวิง่งไปรถสวนมานี่แหมมันเดี๋ยวต้องหลบซ้ายหลบขวาคำ ถ, ถามจากคุณมังกรค่ะ ความประมาทเป็นทางไม่ตายคำว่าประมาทคำว่าทางนั้นหมายความว่าอย่างไรครับและเหตุใดความไม่ประมาท จ, จึงเป็นทางไม่ตายครับ <c oughs> ความไม่ประมาทก็คือความความมีสติการไม่มีสติเ ร, <c oughs> เรียกว่าประมาทคือทำอะไรโดยที่ไม่คิดตองด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าไม่มีสติคนที่ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลตกตองรอบครอบเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาท คำถามจากคุณพิทักษค่ะคำว่าวาสนาคืออะไรและเราสามารถสร้างขึ้นได้ไหมครับก็ลองไปถาม g o ู g ก e ดูก็แล้วกันวาสนาบารมีคำถามหมดหมดแล้วออมีใครอยากจะถามอีกไหมโ อ, อ, อากาสครับในช่วงหลังวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องพุทธค์พุทธวจนะมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ ตัวผมเองเนี่ยกับภรรยาพัรอครัวเนี่ยชอบสร้างพระทำกันทุกปีแล้วก็ได้เห็นบทอ่านบทความว่าการสร้างพระแก่พระปั๊มพระต่างๆนานานเนี่ยเป็นบาปครับคุณผู้ชมไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรคือพระพุทธเจ้าไม่เน้นเรื่องพระพุทธลูกเพราะท่านเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์พระพุทธลูกพูดอะไรไม่ได้เข้าใจไหม การที่เราหาพระนี้เราต้องการหาพระที่พูดได้เพราะเราจะได้ปัญญาเหมือนเราไปโรงเรียนถ้าเขาเอาเอารูปเหมือนของอาจารย์มาตั้งไว้แล้วเราจะเรียนรูป้ป่ะไปนั่งกราบทั้งวันนี้มันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่สอนให้สร้างพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลมีพระหรือใครไม่ทราบไปแกะสลักพระพุทธรูปไปถวายพระพุทธเจ้าท่านบอกนี่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือทํา คือคําสอนถ้ออยากเธออยากจะรู้จักตัวเราถ้าอยากจะอยู่ใกล้กับเราให้ไปเรียนคําสอนของเราอันนี้คือเนี่ยคำนึงที่มาของพุทธวจนะพุทธพจน์ก็แปลว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าพจน์เนี่ยเวลาเราทําสุนทอนพจน์เนี่ยคําว่าพจน์ก็คือวาจาคําพูดในพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นพุทธวจนะทั้งทั้งหมด ก็ให้เข้าหาประยตรปิฎกดีกว่าศึกษาพระไตรปิกแต่ทีนี้ธรรมเนียมของการสร้างพระพุทธรูปมันเป็นฝังลึกอยู่ในใจของชาวพุทธเรามาเราก็เลยมีการสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่มีใครอธิบายให้เห็นว่ามันมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยก้อนยิบประโยชน์มันก็มีแต่น้อยคืออย่างน้อยทาให้เราเวลาเห็นพระทาให้เรามีความสารวม มีความคลรวะมีอาจจะทําให้เราลึกถึงพระพุทธคุณนั่ลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงพระธรรมคําสอนเราลึกถึงพระอริยสงสาวอบเนยมันก็เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าคนนั้นลึกไม่เป็นมันก็ไม่เป็นประโยชน์นั่นก็จะว่าบาปไม่บาปหรอกถ้าบาปนี้ก็เราก็บาปก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ดีดีใช่ไหม ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้ให้ปากเปียกปากฉีกอายุญาติอยูอย่ายามานั่งฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแต่วพระพุทธรูปทําพูดไม่ได้ดนั้นอยากจะฟังครับฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ต้องไปฟังธรรมไปอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีในพระไตรปิฎกมีพวกที่พุทธวจนะนี้เขาก็ถือว่า ถ้าไม่หมอกมาจากพระไตไปดกนี้ถือว่าใช้ไม่ได้อย่างเราเนี่ยพูดแบบสเปะสปะไม่รู้มาจากที่ไหนบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าพุทธวัตพุทธวัจนะเขาเรียกว่าพุทธพุทธะพุทธเดาพุทธอะไรก็ว่าไปเกอร์เราไม่ได้อ้างว่าพ่อสูตรบทนี้แสดงว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็พูดสเปะสปะไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา เนั้นเขาเขาก็เลยอ้างว่าเขาก็ว่านี่ไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่เพี้ยนได้ก็อาจจะเป็นเพี้ยนได้สําหรับคนบางคนมันอยู่ที่คนเนี่ยคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติแล้วมีดวงตาเห็นธรรมนี่ยจะไม่เพี้ยนจะพูดธรรมได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดจะไม่ผิดเพราะทําอันเดียวกันแต่คนที่ไม่เห็นธรรมนี่ยมาพูดเนี่ยมันผิดได้ ถ้าพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดพูดไปตามจินตนาการ น, นมันก็มันก็มีสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันเวลาเราไปฟังพระที่ท่านไม่ได้ใช้พระไตรปิฎกมาเป็นคำพีสอนในวั น, นนี้จะพูดเรื่องธรรมาจากกับปวัตตนสูตรนะอย่างงี้อันนี้ถ้าพูดอย่างงี้มันแน่นอนมันมาจากที่มีจารึกไว้ปลอดภัยกว่าแต่บางที ก็มันก็อาจยังไม่ละเอียดพอไม่ชัดเจนบางทีฟังแล้วอ่านแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าไปฟังภาพที่ได้ปฏิบัติมาแล้วท่านอาจจะขยายความได้ขยายความที่มีอยู่ในธรรมจักกับปวัฒนสูตรให้เกิดเห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วยการยกตัวอย่างบางอย่างเปรียบเทียบให้เราดูอันนี้ก็ถ้าเป็นผู้ที่มีมี ดวงตาเห็นธรรมนี่ท่านจะสามารถที่จะมาขยายความทำให้เกิดความกระจ่างทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้ น, นกว่าจากการอ่านจากพระพุทธพจน์เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าผู้ไม่เห็นธรรมนี่อาจจะมาขยายความผิดไปเลยก็ได้แปลผิดไปเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมของใครบางทีเราก็ต้องศึกษาประวัติของผู้สอนก่อนว่า ท่านมีประวัติมาอย่างไรเหมือนกับเวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องดูอาจารย์คนนี้จบจากที่ไหนจบจากจุฬาหรือจบจากห้องแถวที่ไหนไม่มีที่อ้างอย่างนี้อย่างนี้นก็เราก็ไม่ไปฟังนะใช่ไเราก็ไม่ไปเรียนกับคนที่ไม่มีหลักมีฐานแต่ถ้าคนที่มาสอนนี่มีประวัติที่ เ, เชื่อถือไดออ้มาจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มันก็พอที่จะฟังได้แต่ก็ยังไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ยังสอนว่าอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีคือให้เชื่อแล้วลองไปพิสูจน์ต่ออีกที่ยสิ่งที่เราสอนทั้งหมดในวันนี้เราไม่ได้บอกให้เชื่ออย่างเดียวนะเราบอกว่าเอาไปทดลองดูเนี่ยสิ่งที่เราบอกเนี่ยเป็ น, นยังผิดถูกยังต้องไปพิสูจน์ดูอีกทีด้วยการปฏิบัติของเราเราถึงจะเห็นชัด เ, เหมือนกับเรามียาให้ญาติโยมไปกินเนี่ยบอกว่ายานี้กินแล้วโรคนี้หายนะ ญาตโยมก็ต้องลองดูว่าจะเชื่อไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เอาอยานี้ไปกินถ้าไม่เชื่อก็โยนทิ้งไปถ้าโยนทิ้งไปก็ไม่รู้ว่ายานี้ใช้ได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเอาไปลองดูถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเรียนรู้ว่าใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ก็จะรู้ว่าใช้ได้ยังไงยังต้องเป็นคนไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ายาที่หมอให้ไปนี่ธรรมะที่เราให้ไปนี้ ใช้ได้ไหมเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่ดับความทุกขใจเราได้หรือไม่นคนที่มาบ่อยๆมารับบ่อยๆนี่ถามคนดูทําไมเขามาบ่อยๆสแสดงว่าใช้ได้มั้งก็ก็ไ <c> ม <oughs> ่เขาคงไม่กลับมาแต่นะเข้าใจนะเอาแล้วนะวันนี้เกินเวลาแนละ้ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพพจิตรจีน่าไปปฏิบัติ